นิทานบันเทิงทัศน์เรื่องเจ้าชาย เจ้าชายมหิศาสกุมารเจริญวัยได้ 3 ชันษา แต่งตั้งขึ้นเป็นพระมเหสีแทนตั้งขึ้นเป็นนามมเหสีแทน ค่ะอยากจริงๆจริง เด็ดตามใจเธอให้สัญญาแล้วอะไรนี่นะ 20 ปีต่อ จำได้ได้แล้วน้องหญิงจะขออะไรล่ะจ๊ะหือน้องน่ะ ขอเวลาพี่คิดสักอืม ขอขอให้พ่อน่ะแต่งตั้งสุริยะเป็นรัชทายาทสิแล้วลูกของพ่อแล้วอืมงั้น เอ่อถ้าอย่างนั้นลูกทั้งสองขอทูลลา ตอนนี้เสด็จพ่อยังอยู่ค่อยว่ากันดีกว่าน้องขอไป น้องไปตักน้ำมาดื่มด้วยกันดีไหมดีเลยตักระวังด้วยล่ะมาดื่มด้วยกันดีมั้ยดี โอ๊ยโอ๊ยใครอ่ะปล่อยแล้วนะจับเราทําไมบอกมาก่อนเทวะอืม ได่ปล่อยเนาะเทวะทําคืออะไรมีตั้ง 4 ง้า หนื่อยๆทําไมไม่ไปดื่มอาบน้ําในสางหนน นี่ท่านกินน้องเราสองคนแล้วเหรอยังก็รอกินพร้อมกับน่ะขอรอชำระร่าง เพียงอ่านี่เครื่องหอมเครื่องใช้โอมเพียงหอมไปนั่งแล้วตอบมาได้แล้วแล้วเข้าก็ได้เพี้ยงแล้วก็โนด ความละอายที่จะทําชั่วและเป็นคนที่มีเทวธรรมความกลัวผลของความชั่วคน ขอคนเล็กทิ้งคนรองไม่ถูกต้องนี่หว่าไม่เป็นธรรมเลยถูก เราขอยอมแพ้ท่านขอยอม เพียง! ท่านงั้นก็เอาน้องทั้งสองของเสร็จ ไม่มีทางหลุดพ้นจากนรกอเวจี <c oughs> หน้าที่มหิศสาสกุมารทรงประทับ ชาวพาราณสีทั้งปวงต่าง และเจ้าชายสุริยคุมารได้รับการแต่งตั้ง นิทานเรื่องนี้และผลแห่งความดีนั้นให้